พระธรรมเทศนาแผ่นที่91ลำดับที่11โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่1สิงหาคม2559มีชื่อเรื่องว่าสามาวดีมีอาหารไม่เพียงพอวันนี้เป็นวันที่1 สิงหาคมพุทธศักราช2559หลวงพ่อลงมาตั้งแต่วันที่29แล้วก็วันที่30ไปฉันที่จิตโศนาปากแถวบางเขนแล้วก็วันที่31เมื่อวานฉันที่สวนแสงธรรมเราจัดงานพอพรอบๆอาทิตย์สุดท้ายของเดือนทอดผ้าป่าเพื่อหาทุน คุ้ยบุรณะหรือว่าค่าใช้จ่ายของสวนแฉียงธรรมแล้วก็วันนี้พอฉันเสร็จหลวงพ่อออกไปทํำธุระแล้วก็ได้แวะเยี่ยมคุณชายเหมือนกันนะหลวงพ่อ ไ, ไปเยี่ยมคุณชายน้ำาวานนั้นลูกหลานลูกหลานก็คงอยากจะทราบว่าเป็นไงอาการของคุณชายก็รู้สึกว่าท่านก็นอนโยโรงพยาบาลอะไรปิยากาลุน ปิยาการุณมหาราชหลวงพ่อก็ไปเยี่ยมทู้สิ ว, ว่าท่านขอดดใสจชดชื่นแจ่มใสาตามปกตินั่นแะแต่แต่จะได้ออกโรงพยาบาลเมื่อไรนะ่นก็ยังไม่ทราบเพราะว่าท่านมีไข่ยอยู่บ้างนะแต่คุณนายนั่นะเป็นผู้เฝ้าอยู่ที่นั่นนะหลวงพ่อไปแต่ประมาณขั้มตอนคั้มๆอแวะวนะก็มาไม่พัก มาเยี่ยมท่านน้อยเนือแล้วก็กลับเข้ามาสวนแจ้งธรรมเมื่อวานแต่วันนี้หลวงพ่อฉันจังหันบิณฑบาตฉันเช้าที่นี่แล้วหลวงพ่อก็ประมาณจะใกล้เที่ยงหลวงพ่อก็คงจะไปขึ้นเครื่องที่ดอนเมืองจากนั้นก็คงจะกลับไปถึงอุดรแต่ที่ยินว่าท่านอาจารย์3มท่านพระ อ, อาจารย์สงบแล้วก็น่าจะขึ้นไปด้วยกัน ออกจากอุดออรองคงจะไปกราบคารวะศพของหลวงพ่อประสิทธิ์ที่ถ้าสหายนี่คือเจตนาที่ขึ้นไปในวันนี้นะเพราะว่าท่านหลวงพ่อจันเรียนท่านก็จะเอาศพของหลวงพ่อประสิทธิ์ไว้ที่ถ้าสหายเจดวันบําเพ็ญที่นี่ก่อนแล้วจะเอาขึ้นไปเชียงใหม่นะ พอทราบหลงพ่อทราบแต่หลวงพ่อสงบเมื่อกี้นี่นะเพราะฉะนั้นเราของคงจะได้เข้าไปกราบคารวะศพของท่านก่อนหลวงพ่อพิเศษก่อนจากนั้นก็คงจะไปพักค้างที่วัดรวมธรรมยังไม่ถึงวัดนะสถานสถานญาติโยมลูกหลานวันนี้ยังไม่ถึงวัดของพ่อกลับไม่ถึงวัดวันนะี้เ อ, อจังหวัดหลวงพ่อท ะ, ะเลทลายก็ไม่น่าจะผิดเหมือนกันนะป๊อ <c oughs> ก็ไปถึงอุดรก็ไปพักที่วัดรวมธรรมอำเภอเพนก่อนและก็วันพุ่งนี้เช้าวันที่สองทางตำรวจตำรวจผู้บัญชาการภาคสี่ท่านจะจัดงานวันเกิดแล้วท่านก็จะหาทุนก็ให้หลวงพ่อเป็นประธานฝ่ายสงหาทุนให้ตำรวจเกี่ยวกับเดี๋ยวนี้ทางสพจังหวัดอุดร ออมันใหญ่เกินไปคดีความแต่ละวันโอ้โหเป็นหลายร้อยคดีทีนี้มันลดมือเขาก็เลยแบ่งแยกเป็นสามสอพอขึ้นมาเป็นสามผู้กำกับสอพ อ, อ, อหุยหลวงสอพอนนสูงสอพออใรเ น, นะนแวกรอบมือคุนรอนนะั่นนะทีนี้พอได้สอพอมาแล้วแต่เงินยังไม่มาเงินหลวงไม่มาออก็ ทำอะไรไม่ได้ก็เลยอยากจะทําเป็นภาพป่าทำจะทําเป็นอะไรมุงหลังคาสังกษีให้เป็นที่ทําการของเจ้าหน้าที่ตํารวจความคิดของท่านหลวงพ่อก็อเห็นด้วยเพราะมันเป็นของประเทศชาติบ้านเมืองตํารวจก็ผูกพิทักษ์สันติราชถึงพวกเราจะรู้ว่าตํำรวจเป็นอะไรตํารวจตีก็มีอยู่ แต่ถึงยังไงก็เหมือนกับพวกเรานะี่ยถึงรถจะชนคนเวลาไปโรงพยาบาลก็วิ่งหารถอย่างเก่านะั่นอันนี้ก็เหมือนกันนะอันนี้ต้ตองอาศัยกันทางฝ่ายบ้านเมือง ai, ทั้งฝ่ายทุกหมู่ทุกเหล่านั่นแหละหลวงพ่อคงจะทอดผ้าป่าที่อุดรก็ก่อนจากนั้นก็ไปกลับวัดวันที่สองนะคงจะถึงวันที่สองตอนบ่าย นี่แหละกิจวัดตัวข้อกิจนิมนต์ของหลวงพ่ออย่างที่หลวงพ่อได้เรียนให้คณะสัตยา ญ, ญาติโยมโลูกหลานได้ทราบและก็พร้อมกันหลวงพ่อมาคาวก่อนครั้งก่อนท่านอาจารย์หลวงพ่อก็จะบอกว่าวัดเสือวัดพระอาจารย์จันทร์จ้าคุณเสือท่นเจ้าคุณนะวัดกาญจนบุรีวัดเสือมีปัญหาเกี่ยวกับ ทางรัฐบาลเขาไปเอาขนเสือออกไปแล้วก็เขาก็ห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์ประสัตขวดย้ายสิ่งของแต่หลวงพ่อก็บอกเออไม่ถูกว่ะถ้าเคลื่อนย้ายก็ต้องเคลื่อนย้ายสัตว์ด้วยตอนนี้หมูป่าเป็นพันวางทั้งเก่งทั้งวางทั้งบัวทั้งควายทั้งสัตว์ประสัตทั้งหลายพวกไปเห็นก็ว่าเป็นสัตว์เป็นสองสพันตัวแต่สัตว์ทนั้นก็ไม่มีอาหารหลวงพ่อาก็เลยประกาศ ค่าวก่อนพวกศรัทธาญาติโยมก็คงจำได้แต่นี้หลวงพ่อก็เลยตั้งกองทุนขึ้นมาก็ให้อาจารย์เจริญนี่แหละโคศกแล้วก็เสียต้อมแล้วก็เสียทีสามคนที่เป็นญาติโยมที่หลวงพ่อไว้ไว้เนื้อเชื่อใจเชื่อใจนะแล้วก็พระอาจารย์สามที่นั่ง้า้มือกองหลวงพ่อแล้วก็พระอาจารย์บำรุง อรองเจ้าวาดวัดปาบ้านตาัดพวกเราได้รู้ได้เห็นจากนักพระอาจารย์สัตว์เนี่ยที่เป็นสหาธรรมิกเป็นหมูเพื่อนของท่านจกคุณจันทร์อยู่ที่น้ำโสมนาแคหลวงพ่อให้ตั้งสามโอมเป็นผู้ดูแล ท, นนทุนนิธิเพื่อดูแลสัตว์นะแต่หลวงพ่อไม่ได้เน้นหนักไปทางอื่นนะกองทุนเน้นหนักเพื่อเลี้ยงดูสัตว์ที่มันหิวโหวย ประกาศวันนั้นแล้วก็ถึงวันนี้ก็มีคนโอนปัจจัยเข้ามาสู่บัญชีนี้นะคือซื้ออาหารซื้ อ, อยาซื้อข้าวตลอดถึงดูคนคนที่เลี้ยงด้วยคนที่เลี้ยงก็ต้องกินกินเงินเดือนแล้วก็กินเลี้ยงพอสุขควรเราก็ต้องให้พอให้ลูกให้เขาอยู่ได้พอมีครอบมีครัวพอมันหมดรายได้เลยเสือคอไปหมดแล้ว มีแต่ลายจ่ายอย่างเดียวแต่นี้หลวงพ่อจันเจา้าขุนท่านก็กลับไปจำพรรษาที่วัดของท่านแล้วละ่ะเดี๋ยวทับทราบข่าวา ว, ว่ามีพระทั้งหมด 8-9 องค์มัง้งเดี๋ยวนี้แต่แล้วก็เนี่ยพวกเราก็ได้ตั้งกองทุนคือนมาช่วยพวกสัตว์ในทุในช่วงทุกบตุต้เปนะบ้าน แ, แตกสแสลาขาดในช่วงนั้นะแต่ในหลวงพ่อก็ได้เนี่ยตั้งกองทุนทั้งหมดนะวันนี้นะณนะวันนี้นะ อาจารย์กระเดินเขียนตัวเลขให้หลวงพ่อในบัญชีวัดเสือเนี่ยแปดแ้อบาท81สจะตังค์อันนี้ก็คือกองทุนอาหารสัตว์นะอาหารเสือนะแ่า้อ8บาท81สจะตังค์แต่หลวงพ่อจะเลี้ยงไปนานเท่าไหร่จะช่วยเป็นานเท่าไหร่ หลวงพ่อก็บอกว่าคณะกรรมการในทั้งอาจารย์เกเรนทั้งเสียต้อมทั้งเสียทีทั้งพระสามองค์เนี่ยบอกว่าหลวงพ่อให้แนวความคิดไปให้เลี้ยงไปถึงออกพรรษาคล้ายๆกับกว่าในช่วงนี้ท่าน ท, านทาลาเดินคล้ายๆว่าตุปัตตุเปะพวกเราในฐานะพี่น้องต้องเข้าประคองเข้าประคองเอาไว้ในเมื่อท่านเดินตรงแล้วเราก็ถอย เพราะนั้นออกพรรษาเนี่ยก็ทางว่าท่านจะเลี้ยงพวกจัดของท่านต่อไปก็เป็นหน้าที่ของท่านเพราะท่านคงจะมองดูแล้วกันเลี้ยงไหวท่านจะเลี้ยงนะถ้าท่านเลี้ยงไม่ไหวท่านก็ควรจะออกก็เป็นหน้าที่ของท่านแต่พวกเราจะเลี้ยงตลอดไปคงไม่ได้แต่จุดปัจจัยที่ยังเหลือทํำยังไงเราก็คงจะมอบให้ท่านคืนให้ท่านน่ะให้ท่านบริหารจัดการแต่ก็เราต้องดูซะก่อน ว่าจะมีปัญหาอะไรไหมเรื่องมอบเงินไม่ต้องมอบรีบด่วนรอใจเย็นๆก็ได้ถึงยังไงก็ไม่เสียไม่หายอยู่นั่นแหละพวกเราจะรักษาไว้ให้ท่านนั่นแหละวัดเสือนั่นแหละลเราจะไม่ให้ไปที่ไหนจะตุปัจจัยก้อนนี้แต่เราจะให้ยังไงต้องค่อยมพิจารณากันโดยคณะกรรมการให้รอบคอบให้เป็นธรรมนี่แหละจะตุปัจจัยที่ได้มาหลวงพ่อก่อนแน ว, แน ว, แนวอย่างนั้นแหะ แต่สวนท่านต่อไปภายภาคหน้าท่านจะเลี้ยงเสือเลี้ยงเสือเลี้ยงสัตว์ของท่านอย่างไงนะแต่เสือเนี่ยหลวงพ่อไม่อยากจะให้เลี้ยงนะในความรู้สึกของหลวงพ่อพ่ อ, พ, อพูดตรงๆเลยนะไม่อยากจะให้ท่านจุคุณไปเกีย่ยวข้องนะเพราะเหตุไรเพราะท่านจุคุณก็อายุมากแล้วแก่แล้วอายุหกสกว่าเกืเอบจะเข้าเจ็ดสิบแล้วเราจะไปดูเลี้ยงเสือแล้วก็ต่อไปภายภาคหน้า ลูกน้องของเราจะเลี้ยงดีขนาดไหนเราก็ไม่ทราบนะแต่ผู้รับผิดชอบก็คือท่านเจ้าคุณเองเจ้าเจ้าคุณเป็นผู้รับผิดชอบเต็มเต็เพราะเป็นเจ้าของสํานักถ้าหากว่าชาวต่างประเทศต่างชาติเข้าไปไปเที่ยวชมไปจูงเสือออกมาอย่างที่นั่นบางทีเสือกัดชาวต่างประเทศต่างชาติะใครเป็นผู้รับผิดชอบก็ต้องเจ้าของสํานักใช่ไหมเจ้าคุณจันท์เป็นผู้รับผิดชอบ แล้วจะหาเงินที่ไหนไปใช้ใจ่ายให้เขาเ่ยมันไม่ใช่เงินน้อยนะแต่กัดฝรั่งกัดชาวต่างประเทศนี่หลวงพ่อคิดคิดไกลถึงขนาดนั้นนะการณ์สัตยาชาติโยมเพราะหลวงพ่อจึงไม่อยากจะให้อถ้าเขาออกไปกัดีและวหลวงพ่อว่านะในความรู้สึกของหลวงพ่อนะแต่นี่เราก็พูดทดแทนท่านไม่ได้ลูกศิษย์ลูกหาท่านว่ายอย่างไรแต่ในใจของหลวงพอ่อหลพ่อคิดคิดอย่างนั้นนะ่ะคืออันตรายมากนะ เพรหลวงพ่อขี้กลัวเสืออยู่แล้วของว่าเสือหลวงพ่อกลัวมาแต่ไหนแต่ไรใช่ไหมล่ะพอได้ยินอย่างนี้หลวงพ่อก็ดีเหมือนกันรัฐท่านเจ้าพูน่ะเขาออกก็ดีแล้วล่ะอันนี้คือความเห็นหลวงพ่อนะอแต่สิทญายาธิตฐ์หรือว่าคณะกลุ่มที่เกี่ยวข้องของท่านอันนั้ก็สุดแท้แต่พระนาราจิตตางนานาทัศนะนะแต่หลวงพ่อเป็นห่วงอยู่อย่างเดียวก็คือในเมื่อเอาเสือออกไปแล้วเนี่ยการสร้างพระเจดียของ เจ้าคุณนะจะทํำยังไงเพอร า, ายได้มาจากเสือที่สร้างพระเจดียนะ์นี่ยอันนี้เคยเป็นห่วงจุดนั้นอีกเหมือนกันท้าวพ่น้องสัทา ย, ยายาติโยมรวมร่ว ม, ม, ม, มกันช่วยๆกันสร้างเจดีย์เพื่ออะไรไม่ใช่เพื่อของเจ้าคุณจันน ะ, ะเพื่อสร้างเพื่อเป็นพระเจดีย์ขององค์หลวงตามหาปูวะเทิดทูลบูชาองค์หลวงตามหาปูวก็ไม่น่าจะหนักหนาช่วยๆกัน คนละไม้คนละมือถ้าหากว่ามีความพร้อมเพียงสามัคคีในบรรดาศิษยานุศิษย์ทั้งหลายเนี่ยหลวงพ่อเป็นห่วงจุดนั้นเท่านั้นเองนะแต่จุดอื่นหลวงพ่อไม่ได้ห่วงเพราะการเป็นอยู่ของพระกับพระกรรมฐานอยู่แล้วนะอยู่แบบเรี้ยงมายอยู่แล้ว <c oughs> อันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่หลวงพ่อได้เรียนให้พวกขาา้าแต่สัดท้าญาติโยมทั้งหลายได้รับรู้รับทราบนะเอเอหลวงเกินก่อนท่านที่ประกาศแล้วหายไปไหนนะเนี่ยพวกเราก็อยากคงจะสงสยัยอยากจะรู้นะ หลวงพ่อก็เรียนให้ทราบแต่จกจะรู้จริงๆงมาทีไรก็ถามอา จ, จารย์เจริญนี่ก็ได้อา จ, จารย์เจริญจะชี้แจงให้ฟังทุกได้ทุกครั้งเพราะอา จ, จารย์เจริญเป็นหลักพวกท่านก็นะครูบาอาจารย์สามองค์มาเพียนแต่ว่าดูแลด้วยเป็นแนว น, นโย บ, บายด้วยเพื่อความโปร่งใสหรือว่ามีอะไรเกิดขึ้นก็ได้ช่วยกันคิดอทั้งหกทั้งหกความคิดะอสํ <c oughs> าหรับหลวงพ่อเอง เป็นคนที่เจ็ดเ <c> น <oughs> ี่ยแปลว่ารับรู้รับทราบนะในการดูแลเป็นต่วเป็นแนวความคิดของหลวงพ่อที่จะช่วยเมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายให้มีอยู่มีกินนะอันนี้หลวงพ่อคิดเท่านั้นนะแต่ถ้าได้มาพูดถึงสวนแสงธรรมของเราก็เหมือนกันหลวงพ่อเกิดเกิดเมื่อวานเนี่ยหลวงพ่อบอกว่าเออคณะสัทธาญาติโยมทุกหมู่เหล่าสวนแสงธรรมเป็นสมบัติของ อ, อ, องค์หลวงตาที่ท่านหลวงตารับเอาไว้ แต่บัดนี้หลงตาจุดตินิ้เราานไปแล้วท่านก็มอบหมายมอบฝังให้กับบรรดาสิทธิอณุสิทธิทั้งหลายทั้งฝ่ายฆราวาสทั้งฝ่ายพระสงฆ์สิทธิาณุสิทธิทั้งหลายก็ช่วยๆกันดูจะมีการทอดปาป า, ปาสามัคคีทุกอาทิตย์สุดท้ายของเดือนแต่บางเดือนก็ได้มากบางเดือนก็ น, น้อยพ่อก็ได้ถามเพราหลวงพ่อไม่ถามจะได้ยังไงอย่างนี้ถามว่าการบริหารจัด ก, การเป็นยังไงบางทีก็พูทวิทย์บางทีก็ขาด เพราะว่าค่าใช้จ่ายในสวนแสงธรรมก็มากพอสมควรและครูบาอาจารย์มาก็จะถวายครูบาอาจารย์ด้วยที่ท่านมาทางไกลนั่งเครื่องมา อ, อ, อย่างนี้เป็นต้นหลวงพ่อเออน่าจะพูดกันใหม่นะกับครูบาอาจารย์กับคณะกรรมการผู้ที่เกี่ยวข้องนั่นแนหะควรจะพูดพูดกันปรึกษาปรัรบกันเพราะสวนแสงธรรมถึงยังไงให้สวนแสงธรรมอยู่ได้ถ้าวัานหลวงพ่อไม่มาใครไม่มาถ้าปัจจัยได้น้อย เราก็ต้องหักให้สวนแสงธรรมไว้เลยอ่อสวนแสงธรรมใช้เท่าไหร่จํานวนที่เหลือมากน้อยเราก็ค่อยหาันหารถวายครูบาอาจารย์พอข่าวนี่มันได้น้อยจะทํำยังไงมันได้เพียงแค่นี้เราก็ถวายครูบาอาจารย์ถ้าหัวใจได้มากเราก็ถวายตามมากมากมากันน้ําก็ต้องมีขึ้นมีลงใช่ไหมเหมือนกับน้ําแม่ปิงแม่น้ําั้นเออมันจะเออทั้งแรงทั้งฝนมันได้เหรอ มันก็มีขึ้นมีลงอันนี้เราก็ตกรู้อติเลกะล่าเวลามันขึ้นเราก็ได้รับด้วยการแต่มันลงเราก็ต้องเสียสละด้วยกันนี่แหละให้คณะกรรมการหรืออาจารย์เจริญหรือคุณชายนะ่ะต้องถามคุณชายตามที่อย่งไม่ให้หนักใจไม่ให้หนักใจผู้ดใดใครผู้หนึ่งแต่เราจะไปพึ่งพาอาศัยหลวงพ่อสุดใจที่เดียวหลวงพ่อเขาบอกไม่ถูกเหมือนกันนะท่าสวนแจ้งทำ จะตุบจะตุบปัจจัยมันคาดนะไปหาจาับขอจากหลวงพ่อสุดใจทีเดียวก็ไม่ได้เพราะหลวงพ่อสุดใจกับภาระของท่านก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันวัดใหญ่ถึงขนาดนั้นวัดเก่าอีกต่างหากวัดป่าปั้นตาดวัดเก่าจะต้องซ่อมแซมดูแลเสนาสนะที่พักผ้าอาศัยจัดพระเนนพระเนนทัง้าหกองค์อีกต่างหากเออท่านก็แบบภาระจุดนั้นก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันอันนี้จุดนี้ก็อยากจะให้พวกเราช่วยๆกันคิดอย่างเหมือนกันนะนะ แหลวงพ่อเนะี่ยท่านก็ว่าไปหลวงพ่อนะ <c oughs> คิดไกลก็ว่าได้เอก็ว่าหลวงพ่อละเอียดก็ว่ากันนะบางคอก็ว่านะ่ะแต่ตามไม่จริงหลวงพ่อก็ไม่ว่าแร้วเขาจะตั้งชื่่อยังไงหลวงพ่อก็ยอมรับทั้ทงนั้นแหละบางทีกับพิจิ ก, กังวลเป็นห่วงอในการเป็นในการบริหารในการจัดการความเป็นธรรมในชมุมชนในกลุ่มของพวกเราแล้วก็พร้อมกันหลวงพ่อยังมาพูดกัน ศรัทธาญาติโยมเหมือนกันนะเอบางทีคนมาตักบาตรว่าตักบาตรบางทีอาหารมันไม่ทูวถึงทั้งที่อาหารตังเยอะแยะสิ่งนี้ก็ควรจะพัฒนาใหม่ควรจะปรับปรุงใหม่นะควรจังคายานาใหม่คล้ายๆว่าทุกคนให้มีส่วนร่วมเข้ามาดูช่วยๆกันเพราะว่าวัดวาดศาสนาไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราผู้ผูกฐานคิดอีกจุดนี้เหมือนกันนะ ถ้าว่ามีอาหารประมาณเอาแบ่งให้ทั่วถึงจากนั้นใส่ถุงแจกให้กลับบ้านไปของใครถ้าใครไม่ต้องการก็ไม่เป็นไรถ้าใครต้องการเอาใส่ถุงใสทุงใส่ถุงใส่ถุงแจกคณะสัตยาญาติโฉมลูกหลานผู้ที่มาสู่วัดเอาข้าวคนบาตไปทานให้ลูกให้หลานทานก็เป็ น, นการปลูกฝังอุปนิสัยของลูกของหลานต่อไปภายภาคหน้าเหมือนกันหน้าเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ต้องช่วยกันคิดนะ สรุปแล้วก็คือแบ่งปันให้ทั่วถึงกันตามแนวแถวขององค์หลวงตาขนาดหลวงตามหาบัวนี่นะหลวงพ่ออยู่กับท่านท่านเพ่งมองให้การดูแลพระสงฆ์เวลาอาหารอยู่บ้านตาดไม่มากใช่ไหมละ่ะสมัยหลวงพ่อเข้าไปอยู่ปีสองพันหรอยสิบสอง่ยังมีพระฝรั่งเจ็ดแปดองค์พระไทยเจ็ดแปดองค์จะเท่าๆกันนะ่ะ บางทีมีสิบหกองเท่านั้นจับอยู่ด้วยกันนะเออเวลาอาหารมาเนี่ยเออบางทีมีอะไรมาทังกาอย่างพวกอาหารที่ไม่เผ็ดจะพวกไข่ทอดอะไรลักษณะอย่างนั้นนะปลาเนี่ยท่านเออไปใส่พระฝรั่งไปไปใส่พระให้พระฝรั่งนะเออแล้วก็ต้องไปใส่ให้พระฝรั่งเพราะอะไรเพราะพระฝรั่งท่านฉันเผ็ดฉันเผ็ดไม่ได้ใช่ไหมคนต่างชาติต่างภาษา บางทีเขาเก็จะฉันแต่กินแต่ข้าวเหนียวเนีเพราะาพระฝรั่งท่านมาอยู่เมืองไทยหลวงตากันเอาอาหารพวกขนมพวกอะไรท้องปแปลกๆท่านก็จะให้ใส่พระฝรั่งแล้วก็พระไทยก่อนฉันอะไรก็ได้ลกักษณะอย่างนั้นน่ะนี่คือความเมตตาของหลวงตาความทั่วถึงนะ่ะออันนี้บางผลละหมากรากไม้ก็เหมือนกันเอาท่านไปใส่นะให้ทั่วถึงนะบางทีท่านก็ใส่จากข้างบนลงไปไปบางทีเอานี่ หมอนี้นะใส่จากข้างล่างขึ้นมานะแต่ตอนนี้ท่านองค์หนึงเอาจากนี่นะใส่จากตรงกลางนะเปหาหางนะถ้าพ้นจากหางเลยกลับมาจากสุกเขามาหาทางหัวนะอันนี้คือหลวงตาที่ท่านสอนความทั่ดถึงของของพระจากนั้นท่าก็ให้หลวงพ่อเป็นคนตักอาหารตัอาหารต่อหน้าของท่านตักตักกพอตักเสร็จแล้วท่ทานอาหารประเภทไหนนี่ เรามาอยู่ที่บ้านตาดนะีะเรามาอยู่เพราะโยมแม่ของเรานะเราไม่ได้อยู่มาเพราะคนอื่นนะเราอยู่มาอยู่ที่นี่โยมแม่ของเรานะอ่าดูนะอาหารอาหารโยมแม่ของเราน ะ, ะอันนี้หลวงพอ่อจะต้องตัดอาหารตรงเล่นเอออย่างทุเรียนห็นไทยมาไม่น้อยหลวงพอ่อจะโอ้ให้โยมบรรดาของท่านทั้งหมดพโยมบรรดาของท่านแต่ก่อนเท่าทูกกินทุเรียนเม่นนั่นไม่กินแต่ทุกวันโอ้โหโยมบรรดาชอบชอ บ, ชอบ한국한국ทุเรียนมากนะ อจากนั้นเราควรรู้ว่าอหลุกตาบอกว่าโยมบรรดาชอบทุเรียน เ, นยเราเป็นคนตัก อ, อาหารแล้วก็ใส่อาหารเพียงพอสําหรับผู้สูงอายุสําหรับโยมบรดาจากนั้นก็แจกให้องค์อื่นให้พระไปในหลวงพ่อดูแลเรื่องอาหารตร ง, ตร ง, ตรงหน้าขององค์หลวงตาสมัยเมื่อหลวงพ่อไปอยู่ปี 2,512 จน 2,525 25เป็นเวลา14ปีนะ นี่แหละหลวงพ่อได้ทําหน้าที่นี้เพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงรู้วา่าการจัดอาหารทํำยังไงสเพสตาอาหารฤทธิกาสรสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นอยู่ด้วยอาหารมดก็ให้อิ่มเต็มเต็มท้องมดช้างก็เต็มเต็มอิ่มตามท้องช้างท่านว่าั้นนะ เ, เพราะฉะนั้นให้จัดอาหารหลวงพ่อก็จัดอาหารในโขดในโขดพอประมาณที่ว่าเป็นอาหารที่โยมบรรดาของหลวงตาชอบอาบางทีเราเราตักเผือเอันนี้มีไหมเนี่ย เราก็ไม่เห็นนี่เอาไปโยมมันดานะโอ้แตลว่าเราถ้าตรงต่อตาได้พูดอย่างนั้นขึ้นมาแล้วเราเนี่ยโอ้รู้สึกมันจะเทือนใจต่มแล้วเราเนี่ขาดตกปกพ่องเออคือท่านท่านไม่ได้คิดนะว่าเรามาอยู่ที่นี่อยู่อยู่มาอยู่เพราะโยมมันดานะไยเราเพียงแค่นี้เราก็จะเทือนใจแล้ว เ, เพราะนั้นหลัาการจัดอาหารเราก็ต้องดูโยมมันดาแล้วก็ดูพระต่างประเทศ แล้วก็ดูพระที่อยู่ด้วยกันแต่พออยู่ด้วยกันท่านไม่เน้นหนักนะท่านบอกว่าสําหรับท่านท่านอยู่ยังไงก็ได้ท่านเข้าปเปล่าๆอะไรก็ได้เพราะฉนั้นเรื่องการอาหารจะเป็นทื่จะเป็นถือว่าเรื่องสําคัญสําหรับพระกรรมฐานท่านสอนอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเองไม่มีใครถามหลวงพ่ออินชอบอะไรฉันอะไรอร่อยหลวพ่ออร่อยหมดทุกอย่างหลวงพ่อวไวอย่างนั้นเพราะเวลา พ, พ่อเห็ุอะไรเพราะเราฝึกมาอย่างอย่างนั้นนะ ทานได้ถ้าวันไหนอาหารอร่อยมันถูกลิ์เราก็ฉันมากๆซะถ้าวันไหนไม่มีอาหารไม่ดีเราจะไปชันมากทำไมเพราะมันไม่อร่อยใช่ไหมล่ะเนี่ยเนี่ยวันพุธนี้จะได้ฉันอีกอยู่แล้วอดอาหารเป็นเอก้าวันสิบวันเราเคยอดมาแล้วชันอย่างนี้ฉันเพียงแค่ที่มันไม่ตายหรอกเนี่ยเราคิดฝันนั้นนะเหลวงพ่ออดอาหารนะศรัทธาญาติโยมลูกหลานอดถึงยี่สิบห้าวันแต่องค์อื่นอดได้เป็นเดือนก็มีนะแต่หลวงพ่อเนี่ยพยายาม จะได้คราวเดียวหรครั้งเดียวอดหลวงพ่ออดอาหารได้25่สิบห้วันที่วัดป่าบ้านตาด น, ะนี่แหละหลวงพ่อรู้ว่าเรื่องอาหารเป็นยังไงฉันก็ได้ไม่ฉันก็ได้ไได เ, เว้นวันสองวันจะเป็นอะไรไปเพียงแค่นั้นครเพราะฉะนั้นเรื่องอาหารไม่ใช่เรื่องหนักหนาสําหรับหลวงพ่ออีกเหมือนกันนะบางทีเรื่องการแจบอาหารเนี่ยบางทีฉันศรัทธาญาติโยมมาวันหนึ่งหลวงพ่อจะเทือนใจนะ ท่านเห็นใต้ปลาทูนะปลาทูไม่ใช่ของได้ง่ายๆเลยอยู่ในปัดปัดฝาบันตาใช่ไหมละ่ะปลาทูมาท่านก็ถ้าเราถ้าเราจะหยิบเอาองค์สักตัวหนึ่งนะี่ยคงจะไม่ทั่วถึงท่านก็บอกเออเอาไปท่านนะท่านนะเอาไปเอาเอาปลาเอาปลาทูนะ่ยเอาปลานเนี่ยในในถาดเนี่ยไปแจกผ้านะแต่เรายังไม่เอานะเใช่ไหมเรายังไม่เอาให้ท่านไปแจกไป พอพระองค์นั่นก็แจกแจกะแกะกะแกะกไปพอแจกไป ส, สุดท้ายเลยท่านก็กลับมามันมารอเอาอาหารส่วนอื่นไปแจกอีกลงตาถามว่าเป็นไงแจกเมื่อกี้นี่แจกปลาไปครบทุกองไหมครบครับฮะมันครบได้ยังไงท่านได้ยินไหมว่าเราจาไม่เอาฮะโอ้โองนั้นเหมือนจะหาที่ไหนมาอีกใช่ไหยล่ะไม่พ่อะไะ เพราะท่านยังไม่ได้เอาเนี่ยถ้ามันครบแล้วถ้ามันเหลือเนี่ยก็ต้องมาถวายท่าน อ, อีก อ, อันนั้นคือครบใจไปละอันนี้บอกว่าท่านยังไม่เอาเนี่ยมันก็ว่าครบแล้วมันครบได้ยังไงเพราะท่านยังไม่ได้เอาเอ่าพวกนั้นหลวงตาสอนลูกศิษย์สอนกานธาดั้นนะกานธาตายาดยูเพราะนั้นเลือกอาหารเนี่ย เ, เป็นสิ่งที่พวกเราควรจะคิดทําพวกเราเป็นศิษยานุศิษย์ขององคหลวงตาแล้วควรจะเสียสละ มามากน้อยกี่คนก็ต้องเสียสละร่วมกันให้ช่วยๆกันนะอย่างหลวงพ่อเนี่ยเก็บอาหารเขาเหมือนกันเก็บอาหารไว้บางคนบางศิษย์ลูกศิษย์เอ้หลวงพ่ออินเก็บอาหารเพื่ออะไรให้ถามลูกศิษย์หลวงพ่อมีโยมคนแต่ก่อนน่านี้หลวงพ่อเขาไม่ได้คิดนะแต่พอเดี๋ยวนี้อายุท่านมากแล้วท่านป่วยท่านออกจากบ้านไม่ได้อายุแปดสิบกว่าปีนะผู้หญิงนะโยมผู้หญิงที่อุปถักอุปถัมภ์ถากหลวงตาด้วยอุปถัมภ์ถากหลวงพ่อด้วยนะ หลวงพ่อก็เลยอืเอาอต้อมได้ทีได้เชิดได้โชคได้เก็บเก็บอาหารไปฝากโยมของหลวงพ่อโดยนะเนี่ยท่านไม่ได้ออกไปจ่ายตลาดเพราะท่านอายุมากแล้วอท่านเป็นผู้มีพระคุณสาหรับหลวงพ่อนะเป็นผู้มีพระคุณสาหรับหลวงพ่อนะอทนั้นให้ช่วยๆกันดูหน่อยนะนี่แหละหลวงพ่อก็ได้จัดอาหารเป็นผู้มีมีพระคุณ มีคนเดียวที่หลวงพ่อไ ด, ไ, ด ไ, ด ไ, ดได้ได้ได้ดูแลนะอันนี้จะให้คณะทศธา ญ, ญาติจอมได้รู้ว่านี่คือพักคุณของคนไม่เหมือนกันอย่างหลวงพ่อในโรงตั้งโรงอาหารเขาเหมือนกันโรงทานที่ที่ทวัดป่าบ้านตาดหลวงพ่อก็สอนนะคณะสิทธิจัตตา ญ, ญาติจอมที่ตั้งโรงทานในวัดหลวงพ่อเนี่ยต้องใจกว้างขวางนะูกหลานนะก็เหตุไรเพราะว่าบางที คนที่มาทานอาหารทานก๋วยเตี๋ยวของท่านทานขนมโอ้อร่อยเหลือเกินเสร็จแล้วก็อยากจะให้ไปฝากพ่อแม่ของตอนเองอยู่ในบ้านพ่อแม่เป็นเอามาเพลิดเอามาพาดพ่อแม่แก่เราได้ทานแล้วก็กินแล้วก็ใช่อิ่มท้องแล้วก็ผมขอด้วยของขอชักถ้วยได้ไหมบางคนก็ไม่พอใจแหลอให้ถ้วยหนึ่งแล้วจะมาหาขอถ้วยที่สองเนี่ย พราผมขออีกสักสองถ้วยได้ไหมมึงเอาไปทไําไมเมื่อดูๆแล้วทัพพีเรื่มสวัดสวียงแล้ววงานแต่เรื่องโมโหแล้รพวกนั้นแต่พวกเขาขอไปแต่ความ ใ, ใจของเขาเน่ยเขาได้กินอาหารอร่อยบ้านนอกนะเขาก็ต้องคิดถึงพ่อถึงแม่ของเขาบางทีสามีมาแล้ก็คิดถึงภรรยาของเขาที่เป็นอมภ์เพื่ออมภ์พลาดหรือภรรยาได้มาได้กินแล้วก็คิดถึงสามีของเขาที่อยู่ในบ้าน อันนี้ก็คือน้ําใจส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นพวกเราที่ตั้งโรงทานควรจะมีน้ําใจเขาขเคาะถ้วยสองถ้วยหรือสามถ้วยเก็ควรจะให้เขาแตามันมากกว่านั้นคือเอาเกินไปแล้วให้คนอื่นซะออพอลนะ้นะให้เพียงแค่นี้นแหละนะเราก็ให้เพียงแค่นั้นแต่เราไม่ให้เสฉยๆก็มันก็ขาดน้ําใจไปส่วนหนึ่งอีกเหมือนกันหลวงพ่อก็เลย ยกเป็นนิทานเป็นชาดกขึ้นมาให้ลูกหลานได้ฟังบอกว่าในครั้งพุทธเจ้าในครั้งพุทธการนางสามาวดีเป็นลูกเศรษฐีของเมืองหนึ่งพอเกิดให้วาตากะโลกขึ้นมากะเล่นหนีออกจากเมืองพร้อมกับพ่อแม่พอในซักเซปพนจรมาถึงกรุงพารานสีพอกรุงถึงกรุงพารานในกรุงสาวัตถีพอเจนีก็มาถึงประตูประตูเมืองประตูเมืองเขาจะต้องมีโรคทานนะ เศรษฐีเขาจะตั้งโรงทานไว้ในประตูเมืองเพื่อให้คนเดินทางบางคนทุกข์จนบางคนหิวโหวยมา บ, าบ้างเจ็บไข้ได้ป่วยหาเงินไม่ได้เขาจะตั้งโรงทานเลี้ยงเลี้ยงคนไงแต่นี่นางสาวเม้าดีกับพ่อแม่นะมาหนีจากอหิวาตกโรคใช่ไหมโรคระบาดเนี่ยพอมาถึงก็มานอนอยู่ที่ทางเข้าประตูเมืองออจากนั้นก็ทางพ่อแม่ก็ไ อ, อ้ลูกมาไปเอา ไปรับอาหารจากโรงทานมาให้พ่อกับแม่นะใ ห, ให้แก่อันหนึ่งนะ่ะเอามาสามชุดนะลูกนะค่าเด็กอายุพอสิริอายุสิบสามสิบสี่ปีใช่ไหไปกัไปไปหาพ่อครัวครัวค้าหนูขออาหารสามชดุดพ่อครัวก็เอาตักให้สามชดุดแต่มาเขามาให้ทั้งแม่เนี่ยแม่บ้านนี่รักสามีมากทำไม เดินทางมาคงจะเหนื่อยมากคงจะหิวมากโหยมากทางทุกกายด้วยทางทุกใจด้วยเพราะพัดภาคจากเมืองมาเลยทั้งแม่บ้านเนี่ยเอาอาหารให้สามีกินทั้งหมดตัวเองเนะี่ยยอมอดเห็นไหมแต่แม่บ้านเนี่ยที่จงรักภักดีต่อสามนะีขนาดนั้นละ่ะมอบให้สามีกินทั้งหมดสามีก็คงจะหิวห่อยก็กินพวา ก, กินก็ไปจกเห็นไหมอาหารเป็นพิษพ่อบ้านตายเนี่ยสามีตายที่เป็นเศรษฐีเศรษฐีเก่า เออเมืองกุ้งราชตะคืนแต่นี้ก็ยังแต่แม่แเท่านอ้นจากนั้นคนเมืองอินเดียพอตายแล้วก็ไม่ยากเลยเขาหาผ้าพันๆไม่พันก็ไรหามขึ้นไปตะแค่แล้วก็ไปโยนทิ้งป่าช้าแล้วก็ไม่ได้เผาได้ฝังในอินเดียนะให้หมาให้อีแล้งกินเลยล่อะอะอยู่ในป่าชา้าผีดิบนะแต่นี้ต่อมาอีกเออพอคืน น, นผู้แม่ก็เสียอกเสียใจแต่พอ่อสามีตายใช่ไหมล่ะ ไปวันพุ่งขึ้นมาลูกไปเอาอาหารมาอีกลูกสาวตัวเลกชิดๆก็ไปเอาอาหารมาบอกกับพ่อครัววันนี้ขอสองชดค่าพ่อครัวก็จัดให้สองชดใช่ไหมจะนี้ก็มาให้แม่กินแม่ก็คงจะตอมใจอีกเอนกันแม่ก็ตายอีกันี่นางน้อยเนี่ยยังอยู่คนเดียวบาดไปวันที่สามเลยที่ฉันขอหนูขอชดเดียวค่าฮะ เป็นพึ่งรู้จักประมาณท้องตัวเองวันนี้เหรอทั้งสองสามวันวันก่อนสามชุดวันนี้วันเมื่อวานสองชุดวันนี้พึ่งได้รู้ชุดอีกอีชุดเดียวเหรอเด็กน้อยแต่ร้องกากร้องไหาย่จายวันก่อนเอาไปให้คุณพ่อคุณพ่อกินแล้วก็ตายเมื่อวันเมื่อวานแม่ก็ตายแต่วันนี้นี่หมูก็เลยยังเหลืออยู่คนเดียวอลยนี่แหละความจําเป็นของคนพระนิสุขพ่อครโอ้โหสลดใจ เอาอ้หนูอยู่ยังไงเอามาอยู่กับพ่อกันแล้วกันนะลูกนะพ่อจะเป็นพ่อให้นะถึงพ่อแม่จะตายก็ตามให้มาอยู่กับพ่อเนี่ยนางสามาวดีก็เลยถือพ่อครัวเป็นพ่อเนี้เออมาอยู่กับพ่อครัวจัดเอาจัดอาหารดูแลคนนะแต่ผลี่สุดเมาออกหัวเลยทนีเออพ่อทำไมคนมามาม า, มาโรงทานเราเนี่เราทำไมไม่ตั้งแถวให้เรียงคิวกันเข้ามาเลย ทำไมให้คนกระจัดกระจายเข้ามาแย่งกันอาหารเนี่ยเสียงสนั่นวันไว้ตาหน่าจะจัดคิวนะพ่อนี่เออพ่อเออใชออ่นางสามาวดีตัวเล็กๆเขากระจัดคิวเธอเนี่ยหาไม้มากระทาเป็นรั้วดิเข้ามาทีละคนเรียงคิวเรียงคิวคนก็หยุดเถียงกันใช่ไหมอ อ, อดตโลเลวหายเงียบไปเธนี่ไม่มีคนทั้งหลายไม่มีเสียงเนยเพราะมาเรียงคิวกันเข้ามารับของใช่ ทังเศรษฐีเจ้าของบ้านตะกอนมีแต่เสียงสนั่นวันไว้ดังคนมาแย่งอาหารกันเศรษฐีอยู่ในบ้านเอ๊ะทําไมพ่อครัวมันไม่เลี้ยงอาหารคนหรืเอเนี่ยทําไมตะกอนมันอุดตโลกันเนี่ยแต่วันนี้สองสามวั น, ม, น, ม, นมันเงียบเลือเกินว่ะเศรษฐีเนี่ยกันลงไปไปเอ้าพ่อครัวไม่เลี้ยงอาหารเหรอเลี้ยงครับผมเลี้ยงอย่างทุกวันนะครับเอ้าทำไมไม่ไม่มีเสียงคนอุดตโลพ่อรัผมทําแผนใหม่ครับ เ อ, าอ้าทำยังไงผมให้เขาเรียงคิ้วเข้ามาครับเอา้าตะกรทําไมไม่ทำเพรผมคิดไม่ได้ครับลูกสาวของผมเนอะลูกสาวของผมเขาขอเป็นคนคิดให้แต่พงศ์ก็เลยทําตามเออใส่ลูกสาวที่ไหนแล้วลูกสาวมาดูซิเอเสดพ่อครัวก็เลยพาอินอินางน้อยนา ง, นางสารมาวดีเข้ามาเอาเสดเที่ยงเลยถามเอา้าอินางไปยังไงมายัางไงไม่อยู่กับพ่อครัว หนูเป็นลูกของเอเมืองสราระชคือมากับพ่อแม่ตายอยู่งั้นชื่อว่ายังไงล่ะลูกเอียชื่อของพ่อหนูชื่ออย่างั้นโอ้โหตายอ่าพ่อของแกเนี่ยเป็นเป็นเพื่อนของข้าเลยเนี่ยอ๋อตายไปยังไงมายังไงเล่าให้ฟังโอ้ทางงั้นไม่ใช่ลูกของพ่อรัวนั่นเนี่ยเป็นลูกของผมเองพ่อขัวก็เลยนางสาวมาวดีก็เลย เขาไปอยู่กับพ่อเศรษฐีนะีที่เป็นพ่อเสียวนะท่านก็นยกย่องให้เป็นลูกต่อมาท่านก็เป็นเป็นภรรยาของพระเจ้าแผ่นดินอีกเมืองหนึ่ง น, ะนางสามาวดีเนะี่ยนี่คือความเป็นมาเพราะฉนั้นผู้ที่จะตั้งโรงทานมันเน้นจุดที่ว่าผู้ที่ั้งโรงทานเราต้องใจกว้างขวางนะหลวงพ่อพูดนะบางทีเขาได้ทานอาหารอร่อยเขาก็คิดถึงพ่อถึงแม่ของเขา เราควรจะให้เขาไม่เกินประมาณไม่ไม่ไม่เกินไปถ้าว่ามันเกินไปเราห้ามเขาะ้ะมันเกินไปแล้วนะไม่ใช่เอาไปซื้อไปขายเอาไปให้ใครละแต่ถ้าเขาบอกมีเหตุผลแล้วก็ควรจะให้เขานะอันนี้คือโรงทานนะ เ, ออเราก็มีน้ําใจกับผู้ที่มาทำบุญ น, นี้ก็เหมือนกันมาย้อนถึงการมาวัด ว, ดวดาศาสนาใครๆก็มีปากมีท้องใช่ไหมมาสู่วัดนะควรจะเลี้ยงกันให้ทั่วถึงหนะลวงพ่อมันเน้นจุดนี้อีกทีนึง ไม่ใช่ว่าโรคโผโมกันนะตรงนี้วัดสวนแจ้งธรรมไม่ใช่ที่ส่แสวงหาลาภยศไม่ใช่ที่ส่แสวงหาร่ำรวยความร่ำรวยในสวนแจ้งธรรมสวนแจ้งธรรมเป็นที่เสียสละกับทุกคนทุกคนต้องเสียสละเพื่อทำบุญมาถึงแล้วก็เอ อ, เ อ, อ, เ อ, อมาเลี้ยงกันให้อิ่มน้ำจำลานจากนั้นก็ได้ฟังธรรมเทศนาทอดผ้าปาสามัคคี เ, เป็นวัน ที่สร้างบุญสร้างกุศล ร, ร่วมกันมันจึงจะถูกน ะ, ะไม่ใช่ว่ามาที่มาโลภโหโมกกระทะมาเพื่อสสแสวงหาสูงถิงที่มันไม่ดีเนีถ้าเป็นอย่างนั้นเป็นเปรตได้ไง่ายๆนะตรงพ่อว่านะเพราะอาหารนะี่มันยังไม่ใช่เป็นของผู้หนึ่งผู้ใด้เาเราเอาเอาไปเลยเนะี่ยมันไม่ได้น ะ, ะในสมัยครั้งพุทธกาลพระโมกคลาไปเห็นเปรตกานะเนีไปเห็นเปรตกาตัวหนึ่งตัวยาวเฟ้ยนะ หัวเป็นกาตัวเป็นงูพระโมกขลาถามทำอะไรทำไัยไหมหเธอจึงเปน็นอย่างนี้โอ้ศาสนาพระพุทธเจ้ากัสปะเขากำลังจะเอาอาหารไปถวายพระพุทธเจ้ากัสปะข้าระเจ้าเป็นกา่ก็เลยบินลงไปโฉบคาบเอาอาหารในถาดของเขาเแล้วก็บินขึ้นไปกินลงไปคาบถึงสามครั้งกินขึ้นไป เพราะนั้นบาปกรรมตัวนั้นแหละข้าพรเจ้าจงตกนรกพอตกนรกขึ้นมามาเปรตเป็นเปรตกาอันนี้มาในพระไตรปิฎกนะพวกเราอยากจะอ่านอยากจะศึกษากันนะัะในธรมรมมัทัตถกถาอ่านได้เลยนี่อันนี้หลวงพ่อพูดให้ฟังเพราะเราทําไม่ถูกเราเป็นเปรตได้ง่ายๆเป็นบาปอกุศลได้ง่ายๆเพราะข อ, ของที่ของที่เขามาทานนะเขาไม่ใช่ว่าเอามือแล้วเอาเท้าเขีย่ยออกไปไม่ใช่ เขาจบแล้วจบปีกอธิษฐานแล้วอธิษฐานอีกเอเพื่อให้ทําบุญกับพระสงฆ์ในเมื่อพระสงฆ์ยังไม่ได้ฉันยังไม่ได้เสียสละนะเราเอาไปก่อนมีโอกาสที่จะเป็นเปรตได้ง่ายๆเหมือนกันนะลูกหลานนะอันนี้ขอหลวงพ่อฝากไว้กับพวกเราทุกๆคนให้คณะพวกเราได้ยินอถึงจะเป็นคนกลุ่มน้อยขนาดเทเถอะวันนี้เถอนะิะแต่ข้อดีินเอาไว้ให้ศึกษาเอาไว้นะอศึกษาเอาไว้เอเพราะนั้นของที่ได้มาก็คือของ ครูบาอาจาร์พระสงฆ์จะต้องแจกให้ทั่วถึงออถ้าเสียสลระออกไปแล้วก็ไม่ว่ากันเออเอาเอาไปพวกเราก็แจกกันออถึงจะแย่งกันอยู่กันกินก็ไม่เป็นไร อ, อ, อันนั้นคือออกไปแล้วแต่ถ้าว่าพระสงฆ์ยังไม่เสียสลระเอาไปเลยไม่น่าจะถูกนะออฟังๆด้วยนะหลวงพ่ออ้างเหตุผลให้พวกให้พวกเราได้ฟังออพอพูดสรุปแล้วที่หลวงพ่อพูดให้ฟังทั้งหลายนะอย่าเพิ่งเชื่ออย่างที่ว่านะ ดูก่อนสารีบุตรที่ตถาคตพูดเป็นนี่เธอเชื่อไหมยังก่อนพระเจ้าข่าเพราะข่าพระองค์ยังไม่ได้นำไปกลั่นกรองได้นำไปปฏิบัติในเมื่อได้นำไปการกรองและปฏิบัติด้วยเหตุผลแล้ว ข, ข่าพระพระพุทธเจ้านำไปปฏิบัติแล้วถูกต้องแล้วข่าพระองค์จึงจะมากราบทูลเมื่อภายหลังพระเจ้าข่านี่แหละดูก่อนสงฆ์ทั้งหลายให้ทําอย่างสารีบุตรนี่นะ ถ้าเราตถาคตพูดไปแล้วอย่าเพิ่งเชื่อให้นําไปประพฤติปฏิบัติดูก่อนได้เมื่อมีเหตุมีผลแล้วยังค่อยเชื่อนะนี่แหละหลักธรรมคมสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นนะคณะสถตยาญาโยมลูกหลานทุกคนนะที่หลวงพ่อพูดใด้ฟังนี่นำไปคิดนําไปพิจารณาการครองด้วยเหตุผลซะก่อนออแล้ว ย, ย, ยังค่อยยังค่อยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเพราะมันเหตุผลมันลงตรงนั้นใช่ไหมละ่ะ ไม่เชื่อได้ยังไงฮหลวงพ่อพก็อ้างเหตุผลให้มันลงลงให้มันถูกถูกเขตถูกผลในตรงตรงนั้นอีกเหมือนกันนะที่หลวงพ่อพูดแต่มันอาจจะแฉลบก็ได้นะพวกเราถ้าโอ้ยหลวงพ่อพเอ็นพูดไปแฉลบไปข้างๆแล้วไปโ throughout หลวงพ่อพก็ยอมอยากจะฟังคณะสัตธธายาญาติโยมลูกหลานเหมือนกันนะไม่ใช่หลวงพ่อเนี่ยดันทุลังหัวชนฝาไม่ใช่นะหลวงพ่อพร้อมที่จะฟังลูกฟังหลานฟังคณะสัตยาญาติโยม ฟังเหตุฟังผลทุกอย่างนั่นนะอันไหนมีเหตุมีผลอันไหนถูกต้องเป็นธรรมหลวงพ่อจะเดินตามนั้นนะตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรระพรในที่นี้ น, น, นวันนี้พูดยาวนะอ้างเหตุผลให้ฟังยาวเหยียดเลยวันนี้น <c oughs> พอหลวงพ่อจะได้สั่งเตล่าอีกวันที่ยี่สิบเอ็ดจะลงมาอีกนะเพราะนั้นหลายวันหลวงพ่อจะไม่ได้พูดเพราะนั้นพวกเราเมื่อได้ยินด้วความก็นําไปกันกลอง วันที่21ลงมามีอะไรยังค่อยมาพูดในหลวงพ่อฟังอีกนะไม่พูดพูดไม่ถูกตดนหลงพ่ออินอพูดเมื่อวันที่หนึ่งนะมันหลวงพ่อพูดไม่ถูกหลวงพ่อก็จะจะฟังเหมือนกันนะ